และแท้จริงเราได้ประทานคำภีเตารอนที่แยกระหว่างความจริงกับความเท็จให้แก่มูซาและฮารุและเป็นดวงประทีปและข้อตักเตือนสำหรับบรรดาผู้ยำเกรง อัลลดีนายัขชวนรับบหุมบิลไหลบิวะหุมมินสสาหติมุชฟิกูนบรรดาผู้ทิเกรงกลัวต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่เห็นพระองค์และพวกเขาก็ยังวันกลัวต่อวันอาวสารอีกด้วยวะหาดาดิครมมุบาระคุณ أ ن ัลนาอาฟอันตุมละหุมุนกิรู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 แต่ที่จริงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าคือพระผู้อภิบาลแห่งบัล ด, ดา ช, ชันฟ้าและแผ่นดิตซึ่งโปร่งทรงดารมิรมันและฉันเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้เป็นพยานในเรื่องนี้และขอสาบานต่ออัลลอ์แท้จริง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 نا, พวกเขากล่าวว่าใครกระทำเช่นนี้กับพระเจ้าของเราแท้จริงเขาผู้นั้นอยู่ในหมู่ผู้อาธรรมอย่างแน่นอนพวกเขากล่าวว่า เราได้ยินเด็กหนุ่มคนหนึ่งกล่าวตำหนิรูปปั้นเหล่านี้เขามีชื่อว่าอิบูรอยฮิมพวกเขากล่าวว่าพวกเจ้าจงนำเข้ามาทำกลางสายตาของประชาชนหวังว่าเขาทั้งหลายจะได้เป็นพยาน พวกเขากล่าวว่าเจ้าเป็นผู้ทมเช่นนี้กับพระเจ้าของเรากระนั้นหรืออิบราฮิมเอ่ยพวกเขากล่าวว่า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 แล้วกล่าวขึ้นว่าแท้จริงพวกเจ้านั่นแหละเป็นผู้อาถรมมรู์าาครั้นแล้วศีรษะของพวกเขาก็ก้มลงมาอยู่ในสภาพคอตกแล้วกล่าวว่าเจ้าอิบรอฮีม ก็รู้ดีอยู่แล้วว่ารูปปั้นเหล่านั้นพูดไม่ได้เขากล่าวว่าพวกเจ้าเคารพภักดีสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์ที่มันไม่ให้คุณแก่พวกเจ้า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 รอดพ้นไปสู่แผ่นดินซึ่งเราได้มีความจำเริญในแผ่นดินนั้นแก่บรรดาชาติต่างาแล้วเราได้บุตรชื่ออิสหะแก่เขาและยากูบหลานเป็นการเพิ่มพูนทั้งหมดนั้นเราได้เป็นคนดีมีคุณธรรม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 แท้จริงเขาเป็นคนหนึ่งในหมู่คนดีแล้วจงรำลึกถึงเรื่องราวของนัวเมื่อเขาได้ขอต่อล อ, อ ก, ก่อนหน้านั้นแล้วเราได้ตอบรับการขอแก่เขาและเราได้ช่วยให้เขาและพักพวกของเขา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 และจงดำลึกถึงเรื่องราวของดาวุดและสุลไลมาตเมื่อเข้าทั้งสองได้ตัดสินในเรื่องไรนาเมื่อฝูงแกะของกลุ่มชนได้หลบเข้าไปกินพืชในเวลากลังคืน และเราเป็นพยานตรอการตัดสินของพวกเขาดังนั้นเราได้โดนใจให้สุลัยมานเข้าใจการตัดสินใจนั้น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 ไปยังดินแดนซึ่งเราได้มีความจำเริญณที่นั้นและเราเป็นผู้รอบรู้ทุกสิ่งและเราได้ชัยตอนบางตัวดำน้ำให้สุลัยมานและพวกเขาทำงานอื่นจากนั้นและเราเป็นผู้ปกป้องคุ้มครอง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 ในบรรดาผู้เมตตาทั้งหลายฟัสตบนาดังนั้นเราได้ตอบรับการร้องเรียนของเขา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 แต่และคนอยู่ในหมู่ผู้อดทน ال และเราได้พวกเขาเข้าอยู่ในความเมตตาของเราแท้จริงพวกเขาอยู่ในหมู่คนดีมีคุณธรรมและเราได้พวกเขาเข้าอยู่ในความเมตตาของเราแท้จริงพวกเขาอยู่ในหมู่คนดีมีคุณธรรม เราจะเริ่มเลึกถึงเรื่องราวของสนูนนบียูนุส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 และจงรำลึกถึงเรื่องราวของ z e กริยาเมื่อเขาได้ร้องเรียนพระผู้อภิบาลของเขาว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงอย่าปล่อยฉันอยู่อย่างเดียวดาย และพระองค์เท่านั้นเป็นผู้สืบทอดมรดกที่ดียิ่ง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 ดัง น, นั้นผู้ใดประกอบความดีโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาสำหรับความอุตสาหะของพวกเขาจะไม่ถูกปฏิเสธและแท้จริงเราเป็นผู้บันทึกไว้แล้วสำหรับเขา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 แท้จริงพวกเจ้าพวกบูชาเวิตและสิ่งที่พวกเจ้าขครบบูชาอื่นจากอัลลอทั้งหมดนั้นเป็นเชื้อเพลิงของนรกโดยที่พวกเจ้าจะเข้าไปอยู่ในนั้น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 และมาลากะจะพบพวกเขาแล้วกล่าวว่านี่คือวันของพวกเจ้าที่พวกเจ้าได้ถูกสัญญาไว้ วันที่เราจะม้วนฟ้าประหนึ่งการม้วนแผ่นกระดาษสำหรับการบันทึกดังเช่นที่เราได้มีการบังเกิดในครั้งแรกเราให้มันกลับเป็นขึ้นมาอีกเป็นสัญญาผูกพันกับเราแท้จริงเราเป็นผู้กระทาอย่างแน่นอน และแท้จริงนั้นเราได้บันทึกไว้ในคัมภีร์อัจจบูตรหลังจากที่เราได้บันทึกไว้ในลุ่มมาฟูดว่าแผ่นดินนั้นพวงเบาของเราที่ดีมีคุณธรรมจะเป็นผู้สืบมรดกมัน แถ้จริงในการกล่าวไว้เช่นนี้เป็นการเพียงพอสำหรับกลุ่มชนที่เครพพักดีต่อมาล่อ และเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากเป็นความเมตตาแก่ประชาชาติทั้งหลาย ا إ จงกล่าวเถิด ม, มูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันได้รับองค์การมาให้ประกาศว่า